สำนวน this is fine ความหมายทำเป็นว่าทุกอย่างโอเคทั้งที่จริงๆไม่โอเคตัวอย่างประโยค my computer crashed but this is fine แปลตัวอย่างประโยคคอมพิวเตอร์ฉันพังแต่ฉันบอกว่ามันโอเค